นั้กุรอานทางนําชีวิตในการเ ด, ดียนกุ ร, รอานเพื่อเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเรานะครับวันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องราวที่ลักษมหานุตา阿าได้เข่าวในส ورة อัชชุอระนะซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านดับเบิลยูซาฮิสซารามนะที่เราได้ เ, เริ่มต้นกันมาด้วยกับการที่ลักษมหานุตา阿าได้ส่งท่านดบเบิลูซา แล้วก็ส่งไปหาเฟรอห์และกลุ่มชนของเขาส่งไปหากลุ่มชนที่ที่่ทานน บ, บีมูซาเคยมีปัญหาเคยโดนขับไล่ออกจากกลุ่มชนนั้นเนี่ยก็คือที่ที่อียิปต์นะอัลฮะาตาลาได้บอกกับท่านน บ, บีมูซาเรียกท่านน บ, บีมูซาหลังจากที่ได้มีการลงวารีท่านน บ, บีมูซามีการแต่งตั้งท่านน บ, บีมูซา ในการเป็นเป็นรอซูนมีการารับวะฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาอาลัาลลอฮฺตาลาบอกท่านอิบราฮิให้ไปหาไปหาเฟรอร์ในประการแรกเลยที่ท่านอิบสาฮิได้ได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาท่านอิบราฮิได้บอกว่ากลัวว่าพวกพวกชาวอียิปต์เนี่ยพวกเฟรอ์และกลุ่มชนของเฟรอนและพวกเกบติยาเนี่ยกลัวว่าพวกนั้นเนี่ยจะปฏิเสธ เพราะอะไรปฏิเสธฮะเพราะว่าคือก่อนก่อนหน้าที่ท่านอบีมูโซาจะจะได้รับคําสั่งจะล่ออับดุลโมซาก็เป็นคนที่โดนขับไล่ออกจากดินแดนอียิปต์มีปัญหามีการฆ่าคนที่เป็นเกปตี้เนื่องจากมีมีประเด็นมีการทะเลาะกาันระหว่างเกปตี้กับบันนิอิสราเ อ, อลและเกปตี้ไม่ยอมอับดุลซาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะแต่ว่าต่อยเข้าไปหมัดเดียวกกปตี้นั้นตายเลย ทนมีมุซาก็เลยบอกว่าฉันกลัวกลัวว่าเขาจะเขาจะปฏิเสธอันนี้คือคือธรรมชาติของของคนนะแล้วทนมีมุงซาก็บอกว่าบอกถึงปัญหาในปัญหาที่จะต้องต้องแก้ในเรื่องของการทางานศา ส, สนาเรื่องการเผยแพร่ ก, ก็คือหัวหัวใจของฉันเนี่ยจะเป็นหัวใจที่คับแค่เพราะว่าคำพูดของฉันเนี่ยพูดไปแล้วเดี๋ยว จะไม่สามารถนะก็เลยขอขอผู้ช่วยขอให้อลสุบฮานัวตาราส่งท่านนบีฮะโรนมาด้วยแล้วก็บอกไว้ว่าฉันเคยมีปัญหากับคนกลุ่มนี้ออลสตาราได้ให้คํามั่นสัญญาว่าเดินนเดินหน้าไปนะเดินหน้าไปแล้วไปได้กับสัญญาณของเราแล้วก็ออลตาราบอกว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างตรงนี้ให้เราได้เห็นว่าออลตาราจะอยู่เคียงข้างกับบรรดานับี แล้วอัลลอฮฺสุบฮานูรตาราก็จะอยู่เคียงข้างกับบรรดาคนที่เดินตามรอยของของบรรดานบดิแล้วก็บอกว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยไปหาไปหาฟฟรอนแล้วก็ให้บอกเฟรอนชัดๆเลยว่าฉันเป็นพวกเราเนี่ยเป็นรอดูลเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้ส่งมานะว่าให้ท่านเนี่ย บอกว่าให้ฟิโรจน์เนี่ยส่งบันิอิสราเอลมามาให้กับพวกเราฟิโรจนพอเวลาที่มูซามาถึงมาบอกนี้ก็ทวงบุญคุณเลยว่าเจ้าเนี่ยเติบโตมากับเรานะเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งจนกระทั่งโตหลายปีเนี่ยเจ้าเติบโตมาในในวังของเราแล้วก็เจ้าได้ทําอะไรในสิ่งที่เจ้าได้ทําหมายความว่าเจ้าได้มีการทำํำปัญหาในที่ ที่เกิดขึ้นในการในการที่ทําให้เกฟตี้ได้ตายมิมูซาก็ได้บอกว่าที่ฉันทําไปเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยฉันฉันเป็นคนที่หลงผิดหรือในตอนนั้นน่ยฉันเป็นคนที่คนที่ไม่รู้และอรรถสุภานุตตาลาได้กล่าวต่อมาในในในใ น, ในอญญายะของเราในวันนี้นะฮะหลังจากที่ท่านมิมูซาได้มีการถกกับฟิโรนแล้วก็บอกว่าในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่ฉันได้ทําไปเนี่ย ที่ได้มีการทำให้คนเก็บตีใส่ชีวิตไปเนี่ยทำไปเพราะว่าเพราะว่าฉันไม่รู้ซาซารตตูเมงกมลุมลำมาคิ้นตุคุมฟวาวเฮบะลิรอบบิผูกมวาวะจัลนีมินมุร์สลีนทั ฟ, ฟรตตมินคุมดิมิมูซาได้บอกว่าแล้วฉันก็หนีจากพวกเจ้าลำมาคิ้ตุคุมในตอนที่ฉันกลัวพวกเจ้าหมายความว่าในตอนนี้ฉันกลัวว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะทำร้ายฉันฉันก็เลย ฉันก็เลยนี่ฟาวฮาบบลีรับบิุกมาและอัลลอฮสุบฮานุวตาลาได้ได้ได้มอบการตัดสินให้กับฉันคือได้อมอบตำแหน่งการเป็นนบีได้แต่งตั้งท่านดบิมูซาเนี่ยว่าจะอะนีมินัมุสลีนแล้วก็แต่งตั้งให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาหนึ่งในบรรดารอซูล นี่คือสิ่งที่อเลสสปาวนตาลาได้ให้กับท่านดบิมนะูซาว่าหลังจากที่ได้มีการหนีออกไปนะจากเหตุการณ์ที่จะต้องโดนโดนสังหารและอเลสสปาโนตาลาด้วยการกำหนดของพระองค์ด้วยฮิกมาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ได้แต่งตั้งท่านดมิมูซาว่าที่กเนือมาตุนตะมุนโนฮาอะลียอันอับบัตเตบันิอิสรอลและเนะ สิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าได้พูดมาเนี่ยนะคือสิ่งที่เป็นเนิ้อมะที่เจ้ามามาทวงบุญคุณกับฉันนะอันอับบัตตจบานิอิสรออลเป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มามาทดแทน ก, นกันกับการที่เจ้ามาเอาพวกบานิอิสรออีลเนี่ยมาเป็นทาสจริงๆมาทดแทนกันไม่ได้เราะนะ หมายความว่าวิมูซาได้บอกว่าสิ่งที่เจ้าทำดีกับฉันเนี่ยคนเดียวเนี่ยกับการที่เจ้าได้ได้ไ ด, ได้ได้กดขี่ขมเหงบันอิสรอเอีนกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเอามาเอามาเอาม า, เอามาเทียบกันได้ไหมและเจ้าได้ทำให้พวกบันอิสรออ็นเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทาตให้เขาได้ได้ทำงานที่มัน มันยากลำบากให้เขาได้โ ด, โดนทรมานให้เขาได้โดนการแกล้งอะไรต่างๆนานาที่พวกบนิษสรลอลพี่น้องเรานึกภาพคนที่เป็นทาสเนี่ยนะว่าเวลาที่เขาได้โดนต้องใช้ให้ทำงานเขาโดนกดขี่ข่มเหงเงป็นยังไงอันนั้นคือนนี้เลยนะท่านบีมูซาได้บอกให้เราว่าวัติลกนิน่มมาตุนตะมุนเนฮาอะลเลียอันอับบัตต์เบนอิสราเอลนี่แหละนี่แหละคือนิมมาที่เจ้ามา มาทวงบุญคุณกับชันน่นละทั้งๆ ท, ที่เจ้าเนี่ยเป็นคนที่มากดขี่ข่มเหงพวกบันีอิสราเอีย้อนความไม่พี่น้องเข้าใจนิด น, นึงนะว่าในที่อียิปต์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยยุคที่ล็อตส์มานูเอาลาส่งท่านนาีมูมซาไปทําการด่าวะเฟโรออนที่อียิปต์เนี่ยในยุคนั้ น, นมีคนอยู่สองพวกใหญ่ๆสองกลุ่มใหญ่ๆเลกลุ่มหนึ่งคือบันีอิสราเอีนที่เราได้ยินคุ้นหูกันอยู่ นะบันิอิสราเอลก็คือลูกหลานของอิสราออลอิสราเอลเนี่ยคือฉ า, า ย, ยางธนบิยะกูปหมายความเป็นลูกหลานธนบียะกรูปบันิอิสราเอลในในตอนนั้นเนี่ยเป็นชนชั้นที่ตกต่าแล้วก็เป็นชนชั้นที่โดนกดขี่ข่มเหงอย่างมากอันนี้คือชนชนชั้นหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเกเพติยะ กีฟติยาคือพวกชนชันน้นนายพวกพวกพวกมีระดับนะพวกชนชันน้นนายพวกเฟรโอและกลุ่มชนของเขาในตอนนั้นในการใช้ชีวิตอยู่อยู่กสองเผ่า2กลุ่มกลุ่มพวกนายและกลุ่มพวกกลุ่มที่เป็นที่เป็นทาสเฟรอดและกลุ่มชนของเขาเนี่ยคือพวกกีฟติเน บ, บีมูซาและกลุ่มชนท่านบบมูซาเนี่ยคือพวกบนันิอิสราเอลและบนันิอิสราเอลดนกดขี่ข่มเหงมาตลอด เวลาท่านดบีมูซาได้ได้ได้ยินจากเฟโรนที่มาทวงบุญคุนบีมูซาก็เลยบอกว่าแล้วก็ที่สิ่งที่เจ้าได้ทำกับพี่น้องของฉัน ล, ละ่ะทำกับพวกบนิอิสราเอลหลักในการกดขี่ข่มเหงเนี่ยกอัอับบัเตลเบนิอิสราเอล พอเวลาที่มีการบอกว่าในการที่เจ้าได้ทำให้พวกบอิสลอิเนีรร่ยเป็นเป็นทาสฟีร์อนก็เลยกล่าวขึ้นมาเลยว่ากลาฟิร์โอนว่ามา ر บบ ل ع ล ل م ล ن ฟีร์โอนได้ตั้งคำถามขึ้นมาในเป้าหมายที่ท่านดับบมูซาได้มาเนี่ยมาทำการเรื้อกร้องฟิรอ์โอนไปสู่การอิบาดะต่อรัสบานุตาลาแต่เพียงพูดเดียว อัลลอฮตาลาได้กล่าวในอายะนี้เนี่ยกล่าวถึงการปฏิเสธของของเฟรอนแล้วการฝ่าฝืนของเขาว่ามารับบุลอาเลมีนแล้วอะไรใครคืออะไรคือผู้บานแห่งสากลละโลกเหมือนกับในในอายะบางอายะนะที่อัลลอฮุ س ب า ا ن ه และ ت ع าได้กล่าวถึงฟฟรอูนนะว่ามาอิมทุลละกุมมินอิลาหินไกวริฉันไม่เคยรู้ ว่าเจ้าเนะี่ยมีมีมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันมามมมนอิลิมททลกุมินเอลาฮินไวยรีนะคือเหมือนกาบฟิร์งกำลังบอกว่าฉันนี่แหละคือพระเจ้าที่พวกเจ้าต้องทําการเคารพสักการะนะฟัสต์คาฟฟเกาโมหูฟาตอาฟิร์งก็ทําการขู่นะขู่กลุ่มช น, มนของเขาแล้วกลุ่มช น, มนของเขาก็ก็เชื่อฟังนะเชื่อฟังฟิรง์ง นะเพราะฉะนั้นนออบรรดาบรรดาพวกบันิอิสราเอลบรรดาคนที่ที่อียิปต์ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็มีความมีความเชื่อว่าเฟรอูลเนี่ยคือผูอ้บานแห่งสากร โ, โลกของพวกเขาคือผู้ที่คอยจัดการทุกอย่างให้กับเขานะแต่พอเวลาที่นบีมูซาได้บอกกับ เฟรอนบอกกับพวกเกฟตีบอกกับมิสาเอนบอกกับชาวอียิปต์ว่าอินนอรซูลหรือรบบิล่และมีแท้จริงฉันเนี่ยเป็นรสูลของผู้อิบานิสซาคนลโลกนะฉันเป็นผู้ที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานูว์ตาราได้ส่งมาหมายความว่าฟฟรอนเนี่ยเคยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีอำนาจสุดมีอำนาจที่สุดในในการบริหารจัดการในการต่างๆในโลกนี้พอเวลาท่านดะ บ, บีมูซาได้มา นบีมูซามาบอกว่าฉันเป็นรอสูลจากผู้ใหญ่แห่งสาวกโลกสแสดงว่ารอสูลแห่งผู้ใหญแห่งสาคนโลกมาหาฟิรออลเหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าฟิรออลคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่แห่งสาคนโลกนะคุณไม่ใช่รับนะคุณไม่ได้ผู้ที่ที่ทําการทําการจัดการนะนะ เฟเร์ฮนในสุรต่อหาที่เราได้คุยผ่านกันมานะว่าเฟเรนก็บอกอาลลอนาลาราว่ากอแะสมารบบูโมายาโมซาเนว่าและผู้อบาญของเจ้าทั้งสองเนี่ยคือใครมมซากอรับบูนั่นเลยอ่ะตอกุลชายอินข้อนกุมมหดาผู้อวบานของฉันก็คือผู้ยบาญของเราก็คือผู้ที่ได้ให้ทุกทุสิ่งทุกทุกอย่าง ในการสร้า ง, งพระ อ, องค์พระ อ, องค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างฟุ่มมหาดาแล้วพระ อ, องค์ก็ทำการให้ทางนำเน่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ให้เราใ ห, ให้เราได้เห็นถึงคำถามของเฟรโรนว่าว่ามารั บ, บล้าละมีน ถามท่านอเมมูซาว่าและผู้บาลนักศากคลนโลกเนี่ยเป็นยังไงหมายความว่าผู้คนที่อียิปต์เนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเฟรอองค์คือผู้บาลนักศึกโคลนโลกเฟรอองคือทุกคือทุกคนยอมกับเฟรออง์ว่าเฟรอองคือผู้ที่มีอํานาจสุดในในการปกคร อ, องของเขาเฟรดุแล้วตั้งคําถา ม, ถามว่ามูซาจะตอบอยังไง Oma, um orm, a l l a ได um ok ้กล um ok ่าวตอมาในคาตอบท่านนบีมูซาว่ากล่วรบบุษทิวท่วันทว่าันท่วันที่น่วันีนีัที่วัน่าวที่ว่วันที่ววทีวีวัน่วันทีันทีูวานที่วนทวี่นี่นที่วัันวน่วันที่นที่นท่ันทีนนน่น และผู้อธิบาลแห่งสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือระหว่างชั้นฟ้าและกระพื้นดินหมายเาบอกว่าสุภาห์อุตตราเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าในพื้นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าระหว่างพื้นดินไม่ว่าจะเป็นดวงดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโคจรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลก ที่เรามองโลกที่เรามองเห็นหรือว่าโลกที่อยู่ในในในความมืดที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลสิ่งที่อยู่ในภูเขาสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ใน พ, นพื้นดินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสร้างของลอสุภานุทาราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของสิงสารสาั P, ตว์ต่างๆ เ, เรื่องของลมเรื่องของนกเรื่องของสภาพอากาศทุกสิ่งทุกอย่างคือการสร้างของลอสุภานุทาลา ท่านอบิมูซาเลยบอกในคําที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ท ALAR าข่าวในคําที่เป็นคําที่ครอบคุมกอลรับบุสษมาวาทีวลอัลอาบดีวะมาเบยเนหูมาอิงกุลตุมูกีเนนผู้บานแห่งชั้นฟ้าต่างต่างผู้บานแห่งพื้นดินวะมาเบยเนหูมาอิงกุลตุมูกีเนิและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ มีความมั่นใจหมายความว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมีความมั่นใจในการในในสิ่งที่อรรสุภานุตาลาได้ทำการสร้างมาก็คือให้ได้รู้ว่าการที่ผู้ที่สร้างเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรและเฟรงโอว์เนี่ยเป็นผู้ที่ ใช้การสร้างไหมเป็นผู้ที่มีมีคุณสมบัติในการที่เป็นผู้สร้างไหมอิงคนตมโมไกเนนหากพวกเจ้าทั้งหลายมีมีหัวใจที่มีความมีความมั่นใจนะคอแลนิมันเขาแล้วหูอัลาตัสมาอูนฟโรนเตอบกลับกับโมซาบอกกับคนที่อยู่รอบๆเขาว่าอัลาตัสมาอุนพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินไหมเนี่ยหมายความว่าได้ยินไหมว่ามูซาเนี่ย ได้ได้กล่าวอะไรคือเป็นเป็นคําพูดที่แสดงแสดงถึงการการการดูถูกนะกําลังจะบอกว่ามูซาสิ่งที่เจ้าพสิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยเป็นคําที่มันมันมันมันมันแล้วพวกเรารับมาใครได้นะเป็นคําแห่งการการดูถูกนะว่าเจ้าได้ยินไหมเนะี่ยว่ามูซาพูดอะไรนี่มูซาก็ตอบตอบไปเลยว่า อกอลอร์บุกุมมอร์บุอาบาอิกุมลเอาวามูซาบอยผู้อับานแห่งสาคุลโลนี่ก็คือผู้อับานของพวกเจ้าแล้วก็ผู้อับานของบรรดาบรรพ บ, บุรุษของพวกเจ้าในยุคแรกนั่นแหละหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาสร้างพวกเจ้าและอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเป็นผู้ที่สร้างบรรดาบรรพ บ, บุรุษของพวกเจ้า เหมือนดังที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาราได้สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินและสร้างสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินหมายความว่ากลุ่มชนที่ก่อนอยู่ก่อนฟิรอูนเนี่ยก็เป็นกลุ่มชนที่มาจากการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเหมือนการบอกกับเฟรอูนให้ได้ให้ได้รู้ไว้เฟรอูนพอเวลาท่านเบบีมูซาบอกแบบนี้เป็นยังไงฮะหมายความว่า คือคนเราเนี่ยเวลาที่มีการมีการตอบโต้กันมีการพูดคุยกันแล้วเวลาที่คุยกันไปจนว่ากลัวว่าคนจะคอยตามหมความพินังสักเกณนะเวลาที่เราทําการได้ว่าเชิญชวนผู้คนเนี่ยกลัวว่าคนจะคอยตามในอินนารสูละกลุมุนนลละดีอูรซเลออิเลยกุมละมะจนนูนเพนูเลยบอกว่าแท้จริงรสูลของพวกเจ้าเนี่ยที่ถูกส่งมาให้กับพวกเจ้าเนี่ย บ้าไปแล้วเนี่ยหมายความไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ม, ดมีสมองนะคือกำลังบอกกับผู้คนว่าอย่าไปฟังมูซานะมูซาพูดโดยกับคนที่ไม่มีสติ ป, ปัญญาเดี๋ยมูซาได้บอกตอบไปตอบต่อไปนะพี่น้องอันที่เป็นหนึ่งใน หนึ่งในแนวทางในการตอบโต้สําหรับคนที่เป็นเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนคนใหญ่ให้ดูนะวอลอสผู้พันนัวธารากข้าไงต่อมาในการตอบโต้ท่านนีมูซากล่าวรับบุญมัชรรกิวันมักริบิวมาเบานะหุมาอินคุนตุนตากิลุนกล่าวรับบุญมัชเรกิวันมักริ บ, บิมูซาได้บอกว่าผู้อิบานแห่งทิศ ต, ตะวันออกและทิศตะวันตก แล้วสิ่งที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศตะวันตกหมายโควพบาลแห่งการสร้างทั้งหมดจังทิศตะวันออกจนจนกระทั่งทิศตะวันตกเอิงคุณธมตะไกรโลนหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีสมองกันหมายความว่าไงครับเพื่น้องในบางครั้งในเวลาที่เราเราได้เข้าสู่การการพูดคุยการตอบโต้การถกเถียง สุดท้ายพอเวลาคนที่คนที่เราเราถกเถียงด้วยเนี่ยแล้วเราพูดคุยกับเขาเนี่ยจงกระทั่งว่าเขาไม่สามารถที่จะนํานําอะไรมามาตอบโต้กับเราได้สิ่งที่เราจะได้เจอก็คือนะคือการด่าทอคือการทำนิคือการว่าเป็นคนบ้าบ้างคือการว่าไม่มีสมองว่าคือการว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้น ในหนึ่งในแนวทางในการตอบโทษเทลรอสุมพานุทาราสอนเรื่ 2, นั้นก็าอาร่านในเรื่องราวของทนายมิมูซานี่ก็คืออะไรฮะคือการบอกในเรื่องสิ่งในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปไม่ได้ให้เราด่ากลับไปดังเช่นเขาบอกว่านบยมิมูซาเป็นคนเป็นเป็นคนบ้าถามว่านายมิมูซาตอบกลับาคุณน่ะแหละบ้า แสดว่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางของกรุรอานไม่ใช่แนวทางของท่านนาบีไม่ใช่แนวทางในการที่เราจะทําการดาวะการด่าวะการเรียกร้องคือการต้องการที่จะให้คนเนี่ยยอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลตาจึงบอกท่านนาบีมูซาว่าให้ทําการบอกต่อไปสอนต่อไปว่ารบบบุคคลรับบุญมัชชิลิกวรับวลมัซริบอุมาเบายนฮะุมาอินคนตุนโมกินิน ผู้บานแห่งทิศ ต, ตะวันออกทิศตะวันตกและสิ่งที่ระหว่างทั้งสองหากผู้เจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยมีสติปัญญากันพี่น้องฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่อรรถสุภาหนุตตาลาได้ได้บอ ก, กเราไว้ในในอัยยานีแล้วเรามาคุยกันต่อนะว่าเฟรโรนจะตอบกับท่านนาบีมูซาอย่างไรในการพูดคุยกันถึงการให้มีการยอมรับในในการสร้างของอรรถสุภหาหนุตตาลานะฮะ วันนี้คงเอาไว้แต่เพียเท่านี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอัลลอฮฺผู้ประทาอัลกุรอานมฮัมมดวยละอาลีฮฺวะซัลลัมวสลมุอาลัยคุณะลลอฮฺะบาระกตุ